ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปด้วยลำดับนะเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไมมีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจีตก็ต้องคว้านุ่นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อย น, นี่เป็นอะไรก็ตามจะ ต, ต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจ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 ว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถิามโนมายรทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานตํ้เร็จแล้วโดยใจนะ <c oughs> คือขึ้นใจเป็นทั้งผัญจากพาสักิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันทมทั้งหลายเกิดจากเหตุ เ, เมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองปีพูดถึงมหาเหตุ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 ในการที่จะต้องสาะแสวงหาอะไรกาอะไรอีกนอกจากจะสาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นห น, นามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาษิชมาท่านดูในสำนักใดใครเป็นครูผร้ในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัพทัวนมบริษัทปริวารสองร้อยห้าิบคน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 เมาไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริบาลที่ไปด้วยกัน250คนพรต่างก็ได้สำเร็จนหกผลนิพ่านไปด้วยกันทั้งหมดยังเหนือภาษาลิบุตรและพระโมคคันลาเรากดว่าเจ็ดวันพโมกันลาได้สเร็จภาษาลิบุตรคืห้าวันเพราะเป็นผู้ให้ครวนเหตุผลภูมิกว้างในสสำเร็จ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 ใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อควรเรื่องแห่งความท่องเพี้ยวออกจากตนเสียงอะไรใจนี้จะเป็นกรงจักหมุนติ้วอยู่กับพบกับฆ่ากับความเกิดแก่เก็บตายพบน้อยพบใหน่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาหอารวะพูดสรุปความแล้วหลงแมวเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกตลอดกายหาเวลาที่จะ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 เมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีระษาบุกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาท จ, จากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามผลนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้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 กดไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำที่ เ, เหล่านั้นกม็มีทางที่จะหล่อกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นที่เหลือถึงจะหลุดลอยออกไปได้นี่ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทําอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทําตามความละเอียดของทีเหลืปัญญาละเอียดที่เหลืละเอียด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 มีอยู่แล้วจะยากลําบากอย่างไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบุบบิลเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ ย, ยิวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทำด้วยความพอใจมันเป็นไปดได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความที่เปียดอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานมัน เลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นค่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรม่ามีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภากเปี่ยนอะไรให้ลำบากตันหวดมีเราเท่านั้น ที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอต า, อ า, อ า, ตาหิตอตนูนาถูแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุมเห้หิตจังอาตปังอาขาตาโรตถาคาตานิการประกอบความเพียรเพื่อแก้ที่เหลดทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเห็นหยบหิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศัตรูปืนก็หมายหมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสสาธาบุตรเพื่อฆ่ากิเลสก็เหมือ น, นเราจะนําทําเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อที่ลอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหทือสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาฆาตขามชามันชัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาจัดทาความเพียรทิ่เลตก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ อาหารพลาดทานไทยข้องแค่แก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมผมก็สามารถทำลายกองกิเหลืออาชวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ลาบไปได้ไทชนะก็เป็นข้องเหล่าเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองหิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ อยากมิสหายอะไรก็แล้วแต่ในลักษณะกันเชลื่อสัหวก็จะทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปได้วยความสะดวกายสบายใจที่เรียกว่าสุขตลดิ่งที่จะเป็นสุขตล เราโดยเพะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาัธาความเป็นของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผู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 สติปัญญาที่จะนาํามาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตนเองก็เหมือนเหมือนกันกันกบครัง้งพุทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าทัางแก้ได้ด้วยทัศสติปัญญา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 ยังสาภาวะตามหลักคำตังสอนมือเจ้าแล้วมารบกับกิเลส ย, ยังจะแพ้กิเลสที่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตทาคตคือผู้แก ล, กล้าสามารถผู้อาจหารผู้ชนะในส ง, สงครามอันใดหลวงได้แก่ส ง, สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกองจักรแห่งวัฏจักร จนชิปหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือเหลือจะทําธรมธรมชาติที่บริสุิ์นนล้วนๆนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งศ า, าสดาผู้ทรงนามว่าศ า, าสน า, าเอกเราจะดําเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดําเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดําเนินด้วยความขยันไม่ดําเนินด้วยสติปัญญา ศรัทธาของเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อควาเพื่อชัยชนะมีสติปัญญาที่เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนคบความโง่เขลาว่าปัญญามีมากเพียงไงก็เป็นกลุ่มของติเลศที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แท้ไปตลอดสาย ความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่หนูเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนก<ะ>ิเลสเป็นของมีหน้ามีต า, ตาด้วยเหลือถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อใช้ชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ ตังแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความจเจริญมากน้อยเพียงไหรผลที่ปรากฏทพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโรกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มคุ้รองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นไกรไปโดยลําดับลำดับ เราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสติดกันหมากน้อนแค่ไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะใค่อวๆเลือกเฟ้นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงไกจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงไใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบําเพ็ญพยายามต่อสู้ ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสขึ้นอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความเท่าเทียมก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดได้รับชัยชนะมีอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันถัดดูในสกุลใดก็ตามตามประวัต คำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอกล้าเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตาพจแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยท่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะลม้มลงไปเป็นป่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลศกับธรรมเสียก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในติดใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังสนังราชามของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัชนะอย่างไม่หมายปลาทานี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อพบก่อชาเก่อความทุกข์ความพรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนา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 สาวกอาหารหัรทหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ได้มาสอนพวกเราได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขนาดนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและสาวกท่านอันดัอยู่แล้วทําไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่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 แดนนิพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรู้ทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสั่นเองไมาอยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถันน้าหลังแล้วก็สลายที่ผายมาพวมกันหมดสายช่างกิเลส คือที่ไหนที่เผาสพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาตัฏฐาความเพียรปาช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช่างมันก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นคิดหายไปที่ใจคิดหายเพราะด้วยปัญญาตะปะทำเนียบแปลว่าไฟเผากิเลสตะปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส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 ของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาุพัตุเสสันิผานนี้กลางวันทั่วแดนโลกกถาหาที่กําหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าทำเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุตินิยมใดๆทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย้งก็ได้แก่สมมติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย้งมาเกิดรบหรือมาเกิดฆ่าสึกกันเมื่อค่าสึกหมดแล้วก็ ม, มีอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายนี่มันยงนีนะ นี่แหะทันเรียกมหาสมบัติ น, นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามผุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเดียนตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นกลุ่นนานำมาพินิพิจารณาแล้วฟิตตัวก็โดยนแบบสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุด แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความภูมิใจจึงขอยุติการแสดงแพียงเท่านี้